ลูชายคนเอนไหนอีกคนหนึ่งเที่คนตใช่ไหมคนโตก็กลัวหลวพอคนไหนบวชคนไหนที่ไปวชมาบแล้วคนนี้ไปวชบวชที่้านาจนทร์ะวได้นานเท่าไหร่สองเดือนกว่ากัเดือนกว่าเดือนสามเดือนคนโตไม่ได้มาไม่อยู่นลยเนอน อยู่ที่ไอยู่เยาเซียาเซียก็เลยไม่รัาก็เลยมีของตัตก็ทางานอยู่เลยทงานเจะไปอเมริกาเจบนะจบนานะจะไปทางานที่อเมริกาไม่ใช่ค่ะขาไปเทรนนิ่งกันไปเทรนนิ่งั่เราทางานหรือเตอนนี้ on sabbatical ทำอะไรอยู่ อ่อมีไปลามธรรมะไปช่วยงานเป็นลาบเป็นลาบคาลาอะไรครับพแม่ครูบาอาจารย์ไปมาเลเซียเขาก็ไเป็นลาบเป็นลาบสงกรมครับครูบาอาจารย์ไปเยอะหก็หลวงพ่อรู้ไหมอันนี้เฉยหลวงพ่อจำเนียนจำเนียน ได <si> ้ินได้ฟังมาดูพ่อจำเรียนวัดท่านสายไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ือูจรียนหลวงพจำเนสีละจเรียนจำเราอกว่ที่านเก็ที่ทานที่มัทุกดนท่านท่านเสออ๋อใช่อยู่ว่าท่านี้ไม่แล้วไม่พท่านว่าอะไรนะว่าตอนนี้ท้ามาอยู่ที่ไหน ท่านก็ครัตอนี้ว่าเกาเหลาว่าเกาเราวันนี้จูลายเกจะจัดอยู่ในกินทิ้งแกรุลุโป๊ะมาถังท่างไสองราคาก็สองกนนะแก็ได้ยินได้ฟังมเคยได้ยินว่าท่านอยู่เมื่อก่อนอยู่แถวพังละนี่แถวภาคใต้อยู่วัดท่านเสือใช่าคาไป ก็ไม่ได้ไปไม่เคยเจอท่านก็ก็อายุไปสิบเีดแล้วท่านแข็งแรงมากท่านไปอยู่หลายวันเลไปสอนปฏิบัติก็ห้าวันนะจากรรมถานก็ห้าวันห้าวันแล้วก็สี่ึ้นห้าวันครับคงจะมีคนไปปฏิบัติกันเยอ่ะเยอะมากเขาก็เารู้แล้วเข้าใ เที่นที่ไฮล่นไฮล่เที่ยนที่รนดึแต่คาสิโนไม่เห็นไปคาสิโนรอไจ่ายในคาสิโนเหรอมีวัดนี่ครับอยู่ไหนเเป็นโกลแะจัดเงินตอนข้างบนทางการเย็นเนี่ยเย็นปีทุกขาก็สิบสิกางซ้าทีสิบ ศาลไม่วัดเป็นวัดวัดจีนวัดจนแต่เขาไม่ได้ใช้วัดจีงค่ะก็เท่าโกงไม่ค่แต่ไม่วัดก็เราวัดอะไรน่าจะเ็นวัดเขาเปนวะจีงเนี่ยเป็นวัดมหาญาณมหาญาณน่าจะใช่ใช่มหาญาณจักรวัดจีนส่วนใหญ่เป็นวมหาญาณใช่ค่ะ ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันโมกจีนก็ไม่บินถบาบ้านต้อากินเจนะแต่ถ้าว่าเละว่านี่จะบินถ้าบ้านแล้วก็จะเจไม่เจก็แล้วแต่ญาติโยมญาตยโยมให้เจก็เจญาติโยมไม่ให้เจก็ไม่เจแล้วแต่ผู้ให้ผู้ขอเลือกไม่ได้เลือกกินเจไม่ได้ มีสํานักนนอยู่ในเมืองไทยเขากินเจเวลาครับยมามยนสับาปเขาจะมีหนังสือบอกเพราะว่าสํานักนี้นนกินเจ <c oughs> <c oughs> แต่ความจริงการยินระบก่ควรจะบอกผู้ให้ว่าจะให้อะไรแล้วแต่ผู้จะให้ผูล้ลับรับลรับมาละท่านไหนนับช้ำชไม่ได้ก็สละไปเช่จนจะเป็นเนื้อเด็ดเป็นของเด็กเนี่ยายใส่ในบาท แกินไม่ได้ก็ต้องสลับไปอไปบอกคนให้ไม่ ไ, มได้นอกจากข้อถามถ้าก็ถามว่าสายใดได้บ้างสายใดไม่ได้บ้างก็บอกเขาได้ถ้เขาไม่ถามไปบอกเขาเองไม่ถูกมารยาผูให้ควจะทำตัวแบบเรีง่ายผู้รับคนจะทําตัวแบบเรีง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยากไปช่วย จ, จีบจุกจิก อาหารแบบนี้กินไม่ได้อาหารแบบนั้นกินไม่ได้ต้องต้องอาหารแบบนี้อันนี้คนจะให้เขาจะเบื่อเขาจะไม่ให้บางคนก็เขาอยากถือสินเจ็บ น, นะแต่เขาปรุงแต่งง่ายเขาชอบสินเจ็ เกี่ยวกับร่างกายสุขภาพไม่ดีแล้วก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพบมีโรมาอะไรแล้วก็บางทีก็บอกเขาถ้าถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะคุณศีลเป่ายายนานแล้วค่ะเขาบอกเขาบางทีไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับความอยาใช่ไหมกิเลสเนี่ยกิเลสทําให้เราปฏิบัติธรรมสูงไม่ได้เพราะว่ามันทําให้เราไม่ได้ทําตามกใจ ยิ่เชวาทตายิ่งเหลชื่อกว่าจะขั้นก็ไม่ใช่ง่ายนักหอกเรต้องค่อยๆทำไปตอนต้นทาทานไปก่อนรักษาสีห้าไปก่อนแล้วพอทำไปเรื่อยๆก็จะเกิดศรัทธามากขึ้นก็อยากจะลองรักษาศิบแปดดูลองแนะนำที่นี่เรื่อยๆรักษาสิบแปดถึงปีที่สี่กว่าจะขั้นอีกบาง ควนนี้ก็ข้ามไปแล้วได้ทได้ทำไปเร along, ื mm ่อยๆเหมือนกัมือปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เดี๋ยมันก็ค่อยตขึ้นไปเรื่อยๆขอให้ทไม่หยุดแล้วกันทไปแล้วมันจะมีกาลังมากขึ้นอมันก็จะก้าวขึ้นไได้รอบอกกี่คนี วันนี้24ค่ะ24ใชค่ะาเท็นน่าปมา21คนกลุ่มที่มา21คนข้ามจัดออกเป็น8คนมาเป็น4กลมอ่ะอันนี้ทั้งหมดเป็นที่4สข้บไซชันค่ะมาจากร้านเดียวกันตินนางค่ะตินนางก็มีโครงชพรมิกก็มีอินโดนีเซียก็มีืมคบไซชันตายไปกี่ปีแล้ว 5ปีนะคราปีคปีะนเป็นอะไรเสียก็บางคนก็บอกดาววานแล้วก็ใช่ไม่ใช่ท่านกาวยังไม่มางนิสิตดาชื่อท่าทอบงเราหกสิบกลายเท่านเสียท่านจะทำสาแก่เราหรือทสาเองเนาะอ๋อท่านมีว่าเห็นหนักเป็น า<ม>อดอร า, าพ่อแม่ท่านขายทองทาขายทท่านรู้จักก็รู้จักบ้างนิดหน่อยอมไม่รู้จักตัวแต่คนเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะให้คนทำบ้านที่เขาติดตามถามคำถาม มีวันนี้เข้ามากี่ค น, น้นะเป็นว่าไงวันนี้สูงสุด297ร้อยเก้าสิบเจ็ดค่ะทางยูทูบเจค่ะในชาลามนะไม่ ม, มีคมม่ะบริเวียังไงนี่ขายเข้ามามีคำถามไหมมีค่ะลองถามหรือถามเลยละคะ่ะคำถามทางยูทูบจากคุณกุล ค, ค่ะถ้าโดนย่าด ก, กันโกงเงิน แล้วค่ะเขาด่าเรากับเมื่อเราทวงจนทําให้แฟนเครียดป่วยเป็นมะเร็งจนขึ้นงตายเมื่อต้นเดือนนี้คนนี้เขาจะได้รับกรรมยังไงเมื่อไหร่คะตอนนี้เครียดมากค่ะเวลานี้นั่งสมาธิก็ร้อนรนทําบุญทุกวันเวนละไม่มากกลางคืนก็สดนอนนั่งสมาธิค่ะเขาก็ได้กรรมต่อที่เขายืมเงนินแล้วไม่คืนเงินให้ก็เหมือนกับเหมือนกับรักขโมยรักทรัพย์ของผู้ นคนที่ตายนี่ไม่ได้ตายเพราะเขาค น, คนที่ตายอาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นที่ทําให้เขาตายสาเหตุจากการถูกเขาโกงอาจจะมีส่วนทำให้เสียใจแต่ร่างกายนบางทีมันอาจจะมีอย่างอื่นที่ทําให้เขาตายก็ได้นะครับดังนั้นก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรง จักหมอเมียวเจอกระรอกที่วัดมันอยู่อิสระตามต้นไม้แต่เกิดขาหากักคานอยู่ที่พื้นถ้าเราปล่อยไว้มันคงหาอาหารหรือป้องกันตัวเองไม่ได้เรานำไปเลี้ยงที่บ้านเพื่อให้มันอยู่รอดจะถือเป็นการขโมยของวัดหรือเปล่าคะไม่หรอกเพราะว่าสัตว์นั้นก็ไม่ได้เป็นสมบัติของวัดนแล้วการที่เราไปก็ไม่ได้เอาไปเพื่อจะอไปครอบครอง เอาปพื่รักษคาถามจากคุณสันชายการถวายผ้าคนหนูเช็ดตัวสีเดียวกับจีวรแด่พระสงฆ์จะผิดวินัยสงหรือเปล่าคะเคยได้ยินมาว่าไม่ควรถวายค่ะมันไม่มีข้อห้ามหรอกเรื่องสีเพียงแต่เป็นธรรมเนียมถ้าถวายของพระไม่อยากได้ของมันสีถ้าไปในทางสีเหลืองหรือสีทางที่พระใช้กัน คำถามจากคุณลาวันค่ะทำอย่างไรถึงจะมีทำอย่างไรถึงจะให้มีพลังจิตจะต้องมีสัมมาสติใช่ไหมคะจิตถึงจะหนักแน่นไม่วันไหวค่ะใช่ต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆพยายามดึงจิตอย่าให้ไปคิดเรื่อยเปื่อยใช้พุโทโธเดงเอาไว้พุโทโธพุโทโธไปแล้วจิตจะมีกําลังคําถามจากคุณนารา กรรมที่ไม่ส่งผลหรือส่งผลน้อยคืออะไรครับคือกรรมที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไงกรรมที่เราทําโดยที่มันมันไม่ได้เป็นบุญมไม่ได้เป็นบาป ก, ก็คือการกระทําที่เราทําเกี่ยวกับตัวเราเช่นอาบน้ำนี่แต่งเนื้อแต่ง ต, ตัวนี่ก็เป็นกรรมเหมือนกันแต่มันเป็นกรรมที่ไม่ไปทําให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์หรือได้รับโทษจากการกระทําของเรา อาบ น, น้ำแต่งตัวล้างหน้าแปลงฟันไป ท, าทาํางานทําการหาเงินหาทองพวงนี้ก็เป็นกรรมแบบกลางๆไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ไปทําให้ใครได้รับประโยชน์จากการกระทำของเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมที่ไม่ได้เป็นบุญไม่เป็นบาป้อทีอ่สองคนที่สติไม่ดีมีมีกรรมอะไรครับก็กรรมที่ไม่ก็คือไม่เคยฝึกสติ แล้เคยปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสอารมณ์ของกิเลส ข, ของความโลภความอยากไม่มีการหักห้ามจิตใจชอบทำอะไรตามความอยากพอทำแล้วถ้าไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจทำให้เสียสติไปเป็นบ้าไปข้อที่สามกมแก้จากการนนะั่งสมาธิได้ไหมครับ ได้แต่ได้เป็นชั่วคราวการนั่งสมาธิเป็นการหยุดกรรมชั่วคราวเวลาเรานั่งธรารมาทีเราไม่ได้พูดไม่ได้คิดไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้าเราต้องการจะหยุดกรรมอย่างถาวรเราต้องใช้ปัญญาคำถามจากคุณธั ญ, ญพรขณะนั่งสมาธิเราจะทราบได้อย่างไรว่าวากายแยกออกจากจิตแล้ว พอมันจะรู้เองเหมือนกินข้าวอิ่มหน้ามันก็รู้เองคำถามจากคุณโปยเซียนการถวายบุหรี่ให้พระที่สูบบุหรี่คนที่ถวายบาปไหมเจ้าคระไม่บาปหรอกยิงแต่ว่าอาจจะไปสงสารไม่ท่านเป็นมนตโลกเป็นโลกปอดเป็นเป็นโลกภัยไข้เจ็บถ้าสูบมากเกินไปถ้าสูบพอประมาณก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไร ถ้าสูบวันละวันวันละสองสามมวนอย่างนี้องไม่เป็นปัญหาเลยถ้าสูบวันละสองสามสองเดี๋ยวก็ <c oughs> เป็นโกรโลกปอโนคอกลัรเส้นอะไาถามจากคุณเมฆผมเริ่มต้นนั่งพิจารณาเดินปัญญาดูกายแล้วสงบเป็นสมาธิไม่ต้องภาวนาพุทโธมีปฏิภาคมิมิตรแล้วพิจารณาความว่างในแนวอรูปฌานสี่ ผมทำถูกหรือผิดครับในการปฏิบัติมันก็ถูกครึ่งเดียวผิดครึ่งคือยังไม่ได้เป็นปัญญาทางวิปัสสนามันเป็นการทําใจให้สงบนั้นเองเป็นฌานก็ได้ครึ่งได้สมาธิถ้าอยากจะได้ปัญญาก็ต้องพิจารณาร่างกายว่าเป็นเป็นดินน้ําลมไฟเกิดแก่เจ็บตายเป็นอสุภะไม่สวยไม่งาม น, น่าเกลียด อย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะถ้าเป็นวิปัสสนาก็จะตัดความอยากได้ความอยากที่อยากจะให้ร่างกายเป็นของเราไปตลอดเนี่ยเพราะร่างกายเป็นของเราเพียงชั่วคราวไม่ช้าก็เราร่างกายก็ต้องกลายเป็นดินน้ำลมหายไ ป, ไปถ้าเรารู้ื่วงหนะ้าเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเราก็จะได้ปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกาย ข้อถามจากคุณรัพย์พลกรเวลาทําสังฆทานครั้งหนึ่งถ้าเจาะจงทําให้ญาติหนึ่งคนกับทำตั้งใจทําให้ญาติหลายๆคนอา น, นิสงต่างกันไหมครับคือการทําบุญไม่ทําให้คนอื่นทําให้เราเราเป็นผู้รับผลจากการทําบุญแล้วเราแบ่งบุบุญนี้ให้กับคนอื่นต่อไปเราทําบุญให้คนอื่นไม่ได้ ทำบุญให้พ่อให้แม่ในดาร์ถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าพ่อแม่อยากจะได้บุญพ่อแม่ก็ต้องทำเองหรือสั่งให้เราทำให้คือต้องต้องสั่งแล้วต้องให้เงินไปซื้อของของเงินต้องเป็นของพ่อแม่เองถึงจะได้บุญแต่บุญที่เราทำน้องนี่เราสามารถอุทิศให้คนตายได้แต่เป็นบุญส่วนส่วนน้อยบุญส่วนใหญ่นี่ยังเป็นของเราอยู่ คำถามจากคุณนิตยาคนที่เสียชีวิตอายุยังน้อยเป็นเพราะกรรมส่งผลใช่ไหมเจ้าคะคนที่ตายเนี่ยมันมีเหตุหลายเหตุด้วยกันนอกจากกรรมแล้วมันก็มีสิ่งแวดล้อมมีอะไรต่างๆหลายอย่างมันไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียวเสมอไปบางทีมันก็ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เราไปไปเจอเข้าโดยบังเองิญ แต่อยู่ที่เขากําลังระเบิดนะพอก็ไปโดนลูกระเบิดเข้า ค, คำถามจากคุณโก๊ะสมุกไทยสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ได้แก่ปันหาสามการทําลายสมุกไทยทําอย่างไรครับก็ต้องนั่งสมาธิเจริญปัญญานั่งสมาธิหยุดความอยากชั่วขา้าวแล้วพอออกจากสมาธิมาความอยากมันก็จะมีกําลังดาวลง เวลามันโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาที่พระเจ้าสอนว่าการทำตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขจะนำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายถ้าเรามีปัญญาของพระเจ้าคอยเตือนใจเราพอเราอยากปั๊บเราก็หยุดนันถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปถ้าเราไม่อยากจะไปเจอความทุกข์เราก็อย่าไปทาตามความอยาก ต่อไปความอยากก็จะหมดกําลังไปคําถามจากคุณรัตนาพรขณะนั่งสมาธิเรารู้สึกว่าตัวเรามีจิตสามดวงดวงหนึ่งเราเห็นเป็นตัวเรานั่งอยู่อีกสองดวงเราแยกออกมาดูตัวเราที่นั่งอยู่พออีกสักพักเราก็รู้สึกว่าจิตสามอันนั้ น, ม, นมันมารวมกันเป็นตัวตนเราอีกเราต้องฝึกยังไงต่อคะมันผิดหรือถูกเจ้าคะไม่ควรไม่ควรนั่งแบบนี้ไง ควรให้มีพุโทโธอย่างเดียวให้อยู่กับพุโทโธให้รู้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรือถ้าจะใช้ลมหายใจก็ให้ดูลมหายใจอย่างเดียวอย่าไปสนใจว่าจิตจะมีกี่ดวงมันเป็นความคิดของเราหลอกเราไปเท่านั้นเองเราต้องการให้จิตรวมเป็นหนึ่งถ้าเราไม่มีพุโทโธไม่มีลมหายใจจิตมันจะไม่รวมมันก็จะหลอกเราให้เราเห็นเป็นดวง ดวงหนึ่บ้างสองดวงบ้างสามดวงบ้างนั่งแบบนี้แล้วอาจจะทําให้เรากลายเป็นคนบ้าไปได้นั่นอย่าไปอย่านั่งนั่งแบบต้องมีสติคอยกํากับต้องมีพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าจิตมันแสดงอาการอะไรต่างๆให้เราเห็นเราอย่าไปสนใจพุทโธไปหรือถ้าเราดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆเป็นกว่ามันจะวุบลงไป จงกลามันจะเหมือ น, ก, นกับตกลุมตกบอ่อแล้วก็เนิ่งสงบแล้วก็สบายอันนั้นก็ถึงได้ผลจากการนั่งสมาธิใจจะว่างจะเย็นจะสงบจะมีพลังคำถามจากคุณต้นทุค่ะคารวาต้องถือสินแปดขึ้นไปใช่หรือเปล่าครับถึงจะบรรลุธรรมได้ครับสำหรับผู้ที่ต้องการบารรลุธรรมก็ต้องถือสีนแปดสินสินหรือสสองอยีบเจ็ดแล้วแต่ ความสามารถคำถามจากคุณป้อมการที่ผู้หญิงถวายของพระโดยไม่มีผ้ารับส่งมือต่อมือบาปไหมคะผู้หญิงไม่บาปคนถวายไม่บาปแต่พระผิดพระวใหญ่คํำถามจากคุณใหม่การที่เราทำบุญเราก็ไม่สามารถแบ่งให้คนเป็นได้ แล้วอย่างเราถือศีลภาวานาอธิษฐานแบ่งบุญให้ลูกอย่างนี้ลูกได้รับไหมคะก็คือไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะไม่ได้หรอกบุญต้องของใครของมันต้องทํากันเองบาปก็เหมือนกันของใครของมันใครทำบาปก็ต้องเป็นคน ร, รับผลบาปเองในแบบให้นคนอื่นไม่ได้ดีจีนเราไปทาบาปวันนี้แล้วก็ให้กรุ๊ปเราเอาบาปมาฝากมวย <c ười> <c ười> ตํารวจมรรจับก็บอกให้ไปเอาคนนี้ไปเข้ากุกแทนเราได้ไ้ย คำถามจากคุณพาฤทธิ์พรข้อที่หนึ่งการนั่งสมาธิพร ะ, ะบางรูปพระบางรูปให้นั่งดูลงหายใจบางรูปท่านสอนให้ภาวนาพุทโธบางรูปให้พิจารณาสังขารอยากทราบว่าต่างกันหรือไม่คะหนูเพิ่งหัดควรนั่งรูปแบบไหนคะก็ต่างกันตรงที่ต่างกันที่เราใช้วิธีต่างกัน แต่ผลที่ได้รับก็เหมือนกันเคยทำใจให้สงบได้เหมือนกันวิธีนั่งสมาธิมีอยู่4ี่สิบวิธีในกรรมฐ า, าน4ี่สิบแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้กันสองวิธีหลักก็คือใช้พุทโธหรือใช้การดูลองหายใจเขาอาข้อที่2ปกติชอบภาวนาพุทโธแต่เคยอ่านเจอว่าให้นั่งแบบจิตสงบไม่ให้นึกถึงอะไรให้ใจเราว่างแต่หนูยังทาไม่ได้ แล้วหนูเริ่มงงแล้วค่ะว่าหนูควรเริ่มฝึกจากแบบไหนก็พุดโธรนี่ไงจะทําทให้ใจเราว่างทาให้ใจเราไม่คิดถ้าเราไม่มีพูดโธรหยุดมันใจก็ยังไม่หยุดคิดมันก็จะคิดไปเรื่อยๆงั้นถ้าอยากจะให้ใจว่างอยาให้ใจสงบก็ต้องใช้พูดโธรศัพท์ไปคำถามจากคุณสกายฟอลค่ะของพระอาจารย์อธิบายคําว่าจิตอยู่ในโลกทิพย์ด้วยครับและจิตพระอาหารหันต์ที่ดับคันแล้วจะเกิดดับหรือไม่ครับ ก็จิตของพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างกายเขาเยไจิตของพวกเราอยู่อ vale ีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าโลกทิศแล้วจิตนี่ Например, ส่งกระแสจิตมาเกาะร่างกายเพื่อรับข้อมูลผ่านทางร่างกายทำให้จิตได้เห็นภาพได้ยินเสียงเพราะมีร่างกายเป็นตัวไปรับภาพรับเสียงมาให้กับจิตเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นกับร่างกายมันก็ไม่มันก็ไปไม่ถึงจิต มือนกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องที่เราติดต่อกันเนยเครื่องหนึ่งอยู่ชนบรุรีเครื่องหนึงอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยเวลาเกิดระเบิดที่ชนบรุรีเครื่องที่ชนบุรีพังไปอย่างเงี้ยเครื่องที่กรุงเทพก็ไม่ได้พังจิตก็เหมือนกันจิตก็อยู่ในโลกทิพย์เวลาร่างกายตายไปใจจิตก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเป็นงแต่ว่าจิตไม่มีร่างกายใช้เป็นเครื่องมือไปหาความสุข ก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่สำหรับพระอรหันต์นี่ท่านไม่มีความอยากท่านก็เลยไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ทงนี้ท่านก็อยู่ในโลกที่ไปแบบไม่ต้องมีร่างกายท่านสามารถมีความสุขได้ด้วยการทําใจให้สงบด้วยการหยุดความอยากต่างๆท่านก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องส่งกระแสจิตไปหาร่างกายเพื่อที่จะใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆนั้นพวกเรา พวะเราตอนนี้ยังมีความอยากหาความสุขทางร่างกายอยู่พอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องมาทุก ก, กับการมีร่างกายใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่ถ้าเราหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายกต่อไปเราก็จะอยู่ในโลกทิศไปอย่างนี้ ความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายคำ ถ, ถามจากคุณอาทิตย์ผมไม่ได้อยู่กับแม่แต่ผมก็ไม่ได้ทำให้แม่เสียใจผมติดต่อกับแม่ตลอดการที่ผมไม่ได้ดูแลท่านผมจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าไม่ได้งุนแต่ถ้าเราส่งเงินไปให้ท่านทุกเดือนก็เท่ากับได้ดูแลท่านถ้าเราอยากจะดูแลท่านก็ส่งเงินไปให้ท่านใช้ ว่าบางทีท่านก็อาจจะขาดเงินขาดทองก็ได้หรือถ้าไม่ขาดเงินขาดทองก็หนูไม่เห็นนะวุมาองเดียวนั้ น, นการอยู่ห่างกันนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะดูแลท่านไม่ได้ส่งเงินไปหรือจ้างคนไปทำหน้าที่แทนเราได้จ้างจ้างเด็กให้ไปอยู่กับแม่ ให้ไปช่วยงานทำดูแลแม่ได้เพราะบางทีหน้าที่การงานของเรามันบังคับให้เราต้องอยู่อีกที่นึงแต่เรายังสามารถดูแลได้ยิ่งสมัยนี้เราสามารถโทรติดต่อกันได้ทุกวันวันหนึ่งจะคุยกันนักสามสี่ครั้งก็ได้บางทีดีกว่าคนที่อยู่ใกล้แม่ได้ซ้าไปคนที่อยู่ใกล้แม่กับไม่ได้คุยกับแม่เพราะเบื่อที่หน้ากัน แต่คนที่่อยูกยกำถามจากคุณสายทานครูบาอาจารย์อาพาธหนักท่านถอดจิตออกได้ใช่ไหมเจ้าคะคือท่านไม่เจ็บไม่ปวดใช่ไหมเจ้าคะท่านทําจิตได้ทําใจได้ไม่ได้ถอดหรอกท่านก็รู้อยู่ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวท่านท่านก็ไม่ได้ไปยุ่งกับร่างกายปล่อยให้ร่างกายมันเจ็บไป เหม like vida, so away, we relax, ือนกันเรารู้ว่าคนอื่นเจ็บเราไม่ไปเจ็บกับเขาก็ปล่อยก็เจ็บไปอแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักเราจะไปเจ็บกับเขาก็ได้ว่าอยากจะให้เ้าหายอยากจะให้ท้าไม่เจ็บร่างกายของเราก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นถ้าเรามองร่างกายของเราว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเราก็จะไม่เจ็บกับความเจ็บของร่างกายของเราคําถามจากคุณพงพันธ์ ผมเคยฝึกสมาธิจนกายหายไปลมหายใจหายไปมีแต่ความสงบแต่ตอนนี้มันเข้าไม่ได้สมาธิเสื่อมผมเครียดมากปวดหัวมากอยู่เป็นปีๆทุกวันนี้ผมไม่อยากเข้าแล้วตามดูกายดูจิตความคิดกดให้ทันถึงสีหและสีทุกวันพระขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์เพิ่มเติมครับถ้ายังไม่ไปทาใจให้สงบมันก็จะไม่เจริญก้าวหนะ้ามันก็จะติดอยู่ตรงนี้ นั้นลองพยายามกลับไปทําใจให้สงบเหมอนที่เราเคยสงบก็ลองไปย้อนดูว่าคราวที่แล้วที่เราสงบมันสงบได้อย่างไรแล้วเราก็ไปทําอย่างนั้นใหม่แต่อย่าไปทําด้วยความอยากเพราะยิ่งยิ่งอยากมันยิ่งจะไม่สงบเวลาทําอย่าประอยากให้ทําให้มีสติกำกับใจเป็นมีคําบริกัริคำพุทธโธพุทธโธไป ดูดูลมหายใจไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงผลที่เราเคยได้แล้วในอนดีตแล้วอย่าไปอยากได้ผลนั้นอย่าอย่าอย่าไปส่งใจไปที่อื่นให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรอให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบได้ถ้าใจสงบแล้วก็จะมีกำลังที่จะไปต่อสู้กับกิเลสถ้า้ากิเลสได้ก็จะบรรลุเป็นพระอราิยเจ้าขัมต่างๆได้ ต้องมีสมาธิเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้จิตมีกําลังสู้กับกิเลสถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกําลัางถึงแม้จะมีปัญญาก็ใช้ปัญญาไม่ได้ปัญญาเหมือนมีดแต่คนที่ใช้มีดถ้าไม่ได้กินข้าวไม่ได้พักผ่อนหลับนอนก็จะไม่มีแรงเอามีดไปควานไข่ต้องพักผ่อนหลับนอนกินข้าวแล้วกเ็เอามีดไปใช้งานจิตนี่ก็เป็นเหมือนคนใช้ ใช้ปัญญาแต่ถ้าจิตไม่ได้พักผ่อนหลับนอนจิตไม่มีกำลังจิตก็จะไม่สามารถเอามีดไปต่อสู้กับข้าศึกศับตูได้ยังต้องมีทั้งสองอย่างต้องมีมีดและต้องคนที่ใช้มีดก็ต้องมีกำลังจิตจะใช้ปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพจิตก็ต้องมีสมาธิจิตต้องสงบจิตจยึงจะมีพลังที่จะเอาปัญญาไปสู้กับกิเลสตัณหาได้ คำถามจากคุณแพทค่ะถ้าเราคิดตาหนิพระที่มาตัดไม้อยู่ที่นาเราจะบาปไหมคะคือว่ามีคนมาขโมยตัดต้นไม้ที่นาแต่ตัดไม่ขาดพ่อเลยถวายวัดแต่พอพระถ้ามาเห็นอีกหลายๆต้นท่านก็เอาเพิ่มอีกตอนแรกก็คิดว่าทําไมท่านทําแบบนั้นอีกใจหนึ่งคิดว่าถือว่าให้ทานท่านไปโยมคิดถูกไหมคะถ้าถ้าคิดว่าเป็นการให้ทานนก็ดี มันก็เป็นการปล่อยวางทําให้ใจเรามีความสุขแต่ถ้าเราไปห่วงก็ไปทาหนิมันก็ทําให้เราคิดไม่ดีต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพราหรือไม่เป็นพระก็ตามก็ไม่ดีไม่ควรที่จะไปคิดร้ายต่อผู้อื่นถ้าก็ทําไม่ถูกก็ไปบอกเขาว่าไม่ควรทํำนะเราไม่ได้ให้ต้นไม้หรอกนี่ทําความเข้าใจก็อาจจะเข้าใจผิดก็ได้คําถามจากคุณสาคร เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราภาวนาจนจิตสงบถึงประมาณไหนแล้วถึงจะมีกําลังพิจารณาด้านปัญญาได้ครับมัรู้เองอ่ะมันสันทิฏฐิโกเหมือนกินข้าวคุณกินขึ้นจานกับคุณกินสองจานเนี่ยคุณจะรู้เองว่าอันไหนจะอิ่มมากกว่ากันอันไหนจะมีกําลังมากกว่ากันคําถามจากคุณภริพร <c oughs> ตามที่พระอาจารย์ตอบคําถามเมื่อสักครู่ ถ้าจะบรรลุธรรมควรถือสิ่งแหรือสิ่งสองี่สิบข้อแต่หนูป่วยเป็นมะเร็งซึ่งต้องกินคีโมหลังอาหารเช้าเย็นจนกว่าจะหมดอายุไขหนูก็ถือสิ่งแปไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสบรรลุธรรมเลยเหรอกคะแล้วหนูจะทําอย่างไรได้บ้างเจ้าคะยังได้อยู่ก็ถือสิ่งเจไปก็แล้วกันสิลข้อข้อหก็ถือว่าเป็นถึงแม้ว่าจะกินก็จะกินกินแบบกินยาก็ไม่เป็นไร กินเหมือนกินยาอย่าไปกินด้วยความอยากกินก็แล้วกันกินพอจำเป็นจะต้องกินก็ไม่ถือว่าจะ่าไม่ถือว่าผิดศีลก็ไม่ได้เพร่ะมันกินอย่าถือว่าไม่มีศีลก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้กินด้วยความอยากที่ห้ามกินนี้ไม่ให้กินด้วยความอยากให้กินพอให้ร่างกายอยู่ได้งั้นถ้าเรากินยากินแบบกินยาเพราะเราจะต้องเอามาใช้รักษาร่างกาย ก็กินตามที่หมอสั่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยาแฝงการก็ยังถือยังถือว่าถือศีลแปดได้ค่ะคำถามจากคุณจกักผมทำงานจนแทบไม่ได้พักไม่ได้หยุดถ้าผมยึดพระพุทธรูปเป็นที่ยึดถือเป็นที่เคารพเป็นหลักถือเป็นนิจฉาทิฐิหรือไม่ครับถ้าทานไม่ได้ค่อยทาคือการยึดพระพุทธรูปเฉยๆนี่ยังไม่พอเพียงค่ คำ ว, ว่ายึดพระพุทธรูปนี้ต้องหมายความว่าเรายึดคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะถือว่าเป็นสำ ม, มาทิฏฐิแต่ถ้ายึดพระพุทธรูปเฉยๆแล้วก็ไม่ไปทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยอ้างเหตุว่าไม่มีเวลาบ้างต้องทําอย่างนี้ทำอย่างนี้บ้างก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ายึดพระพุทธรูปก็ไม่ทําให้เราเกิดประโยชน์อะไร การที่เราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนานี้ยต้องได้รับจากการที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่า น, น, น, นั้นเราต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปยึดพระพุทธรูปให้ยึดคำสอนให้ยึดพระธรรมคำสอนแล้วเมื่อเรายึดพระธรรมคำสอนแล้วเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเราก็จะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติคาถามจากคุณธนรงค์นะคะ ตายสิกขาจนเห็นไตรักที่ทำอย่างไรครับก็คือการปฏิบัติตายสิกขานี้จะนำไปสู่การเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา mm hmm. เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากยากเราก็จะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเมื่อเราไม่มีความอยากล้งเหลืออยู่ในใจใจเราก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปคาถามจากคุณตุ๊ก การที่เราฝากผ้าบางสกุลไปทําบุญอุทิศบุญกุศลให้ญาติที่เสียชีวิตแต่คนที่รับฝากไม่ได้ไปนําถวายให้แบบนี้ผลบุญที่เราอุทิศให้ญาติจะได้ไหมคะหรือว่าผลบุญที่อุทิศไปจะได้เมื่อไหร่ไปถวายได้หรือตั้งแต่เราอุทิศให้แล้วคะอ๋อ เ, เราได้แล้วตั้งแต่เราเราให้ผ้านี้ไปแล้วเราถือว่าเราเําหมดความผูกพันกับผ้าผืนนี้แล้วเราเ พานไปแล้วให้เป็นประโยชน์ที่มันจะเป็นประโยชน์ในรูปแบบไห น, นก็ไม่ใช่เรื่องของเราถ้าคนที่เขารับไปเขาเอาไปใช้แทนก็ได้เหมือนกันเมื่อเราไปถวายผ้าแต่เขาขับผ้ า, ขาเขาอยากจะเอาผ้าไปใช้ก็เรื่องของเขาเราก็ได้บุญอยู่แล้วบุญที่เกิดจากการเสียสละดงั้นเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ได้ข้อต่อไปคำถามจากคุณสมทรง เวลานั่งสมาธิรวมจิตใช้เวลานานค่ะแต่เวลาเริ่มง่วงคล้ายจะหลับก่อนนอนรวมจิตได้เร็วมากแต่ไม่ได้หลับนะคะจะเห็นผิวหนังที่หน้าลูกุมข้นชัดมากเหมือนลืมตาเพราะอะไรคะต้องทำอย่างไรต่อคะก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันรวมได้ก็ดีไปกลัวจะไม่รวมจริงไงกลัวจะหลับมากกว่าคำถามจากคุณสิริ การพิจารณาไตายรักบางทีก็คิดในแนวอนิจจังบางเหตุการณ์ก็พิจารณาเป็นอนัตตาได้ได้ไหมคะสลับกันไปตามเหตุเพราะบางอย่างไม่รู้ว่าจะคิดแบบไหนคะ่ะได้บางทีมันก็บางอย่างมันเป็นอนัตตาเพราะว่าเช่นเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาที่ร่างกา ย, ยแล้วเราอยากจะให้มันหายแต่มันไม่หายก็แสดงว่าเราไปบังคับแต่ไม่ได้มันไม่ได้เป็นของที่อยู่ใกล้ คำสั่งของเรามันก็เป็นอนัตตาไปแต่บางอย่างมันก็ใช้ใช้ใชอานิจจาจะดีกว่าเช่นมีเงินทองเนี่ยเดี๋ยวเราก็บอกว่าไม่แน่เดี๋ยวมันก็หมดได้เราก็ใช้อานิจจางั้นแล้วแต่เราจะใช้ที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาเพื่อทำให้เราไม่ทุกกับมันไม่ให้ทุกกับสิ่งที่เราพิจารณา ก็ใช้ได้บางทีก็พิจารณาเป็นอนิจจามันก็พิจารณาว่าเป็นทุกข์ก็ได้บางทีก็พิจารณาว่าเป็นอนัตตาก็ได้น้วแต่ว่าสิ่งนั้นมันมันเป็นอย่างไรถ้าเราต้องการให้มันหายเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าเป็นอนัตตาเพราะว่ามันไม่หายมันมันจะอยู่แล้วถ้าเราอยากจะให้มันอยู่เราก็ต้องพิจารณาว่าเป็นอนิจจเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องหมดมันก็ต้องจากเไป ถ้าเราอยากจะให้มันสุขแล้วมันไม่สุขมันมันเป็นทุกข์แล้วก็พิจารณาเนี่ยมันเป็นทุกข์เช่นการมีแฟนเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่เราอยากให้มันสุกพอเราทุกข์เราก็บอกนี่แหละนการมีแฟนมันเป็นทุกข์ต่อไปอยาป่าไปมีแฟนจะดีกว่ามีไหมคำถามจากคุณ น, นันทิการเวลานั่งสมาธิจิตรวมแล้วนิ่งค่ะ จะต้องพิจารณาอะไรต่อดีคะลมหายใจเบาคำบริกรรมหายคะ่ะถ้ายังดูลมได้ก็ดูลมต่อไปถ้าจิตยังไม่สงบเต็มที่ก็ดูต่อไปจนดูไปจนกว่าลมหายไปแล้วจิตนิ่งเต็มที่ก็ไม่ต้องทำอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปประคับประคองความนิ่งด้วยสติไปเรื่อยๆอย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไปทำอะไรจนกว่าจิตจะถอนออกมาเองอต่อไปคิดเกียจไ คำถามจากคุณเดือนเวลานั่งสมาธิมกักจะได้ยินเสียงระฆังตีสองครั้ ง, งเพราะอะไรเจ้าคะอ๋อมันเนื่ของจิตของเราอะจิตของเรามันชอบระครังเอานั่งไปมันก็คิดถึงะระฆัง <c oughs> ะระฆังมันก็ตีให้เราฟังไปทั้งมันไม่ต้อไปสนใจเวลานั่งสมาธิไม่ให้ไปสนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นให้สนใจอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่อยู่กับลงหายใจอย่างเดียวต่อไปคําถามจากคุณ ชัยสลามกุลค่ะทำไมเวลาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์บางท่านแล้วถึงรู้สึกเย็นและสงบใจมากแต่บางแต่บางครั้งไปอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อีกท่านรู้สึกไม่เย็นใจและไม่สงบใจเลยเจ้าคะเวลาที่เราไปหาอาจารย์แล้วเรามีความรู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะว่า<ม>เวลาการสอนของท่านอาจจะไม่เหมือนกันถ้าการสอนถูกกับเราเราก็จะมีความสุข การสอนวิธีสอนถ้าไม่ถูกกับเราเราก็จะไม่สุดคำถามจากคุณสาครผมกำลังจะบวชครับแล้วมีความกังวลถ้ามีญาติโยมมาถวายเงินในให้พระพระวินัยไม่สามารถรับเงินได้ผมสามารถจัดการกับเงินยังไงได้บ้างครับผมสามารถเอาเงินไปส่งเคราะห์ปีดามาดาผู้วีพักคุณได้ไหมครับ ได้ก็เวลาเราบวชแล้วถ้าใครก็บอกเขาก่อนว่าเวลาเป็นบวชผ้าแล้วถ้าจะถวายเงินพ้าต้องฝากให้กับใครที่เป็นลูกศิษย์เนียให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องถืงเอเงินไม่ให้ก่อนแล้วเงินที่เราได้นี่เราจะาไปทาบุญต่อก็ได้จะให้ใครก็ได้คำถามจากคุณตุ๊กเรื่องผ้าบางสกุลค่ะถ้าคนเอาผ้าที่เราอุทิศให้ญาติแล้ว เอาไปอุทิศให้ญาติของเขาต่อญาติของเขาจะได้รับกุศลไหมคะไม่ได้หรอกเพราะว่าผ้ามันเป็นผ้าที่ของเราเราเราเราถวายไปนะมันก็เป็นของเราบุญได้เป็นบุญของเราถ้าก็อยากจะได้ก็ก็ต้องมีผ้าของเขาซื้อผ้าของเขาไปไปถวายก็ถึงจะได้ไม่ใช่อากาศผืนเดียวกันมาแบ่งกันอุทิศไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นของใครของมันไง คำถามจากคุณสุนีอยากทราบว่าเวลาใส่บาตรตามถนนตอนเช้าต้องถอดรองเท้าไหมคะก็เวลาเราเวลาใส่บาตรเราก็ไม่ควรยืนสูงกว่าพระถ้าใส่รองเท้านี่ก็ถือว่าสูงกว่าพระเพราะว่าพระนี่ถือว่าสูงกว่าเราเราต่ำกว่าพระถ้าเราอยากจะเคารพพระเคารพทางที่เราถวายเราก็ต้องถอดรองเท้าต้องยืนเท่ากับพระหรือท่าที่ที่เรายืนมันสูงกว่าพระเราก็ควรจะหาที่ ที่ยืนที่ต่ำที่ต่ํากว่าบางทีบันไดมันสูงกว่าอย่างนี้แล้วพระมาเดินพระยืนอยู่ต่ํากว่าที่เรายืนเราก็ต้องลงมายืนในที่ที่เท่ากับพระอย่าไปอยู่ที่สูงกว่าคําถามในอินบ็อกซ์จากคุณชวนค่ะผู้ที่มีภรรยาสองคนแต่พ่อแม่ต่างรับรู้และอนุญาตให้แต่งงานทั้งคู่ และทั้งคู่ก็ยินยอมถือว่าผิดศีลข้อสามใหม่ครับก็มันแล้วแต่ว่าคำว่าประเพณีก็คือประเพณีถ้าเป็นประเพณีที่ที่รับกันได้ก็ไม่น่าผิดศีลอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมองยังไงถ้าจะมองทางกิเลสมันก็ผิดเพราะว่ามันมันกิเลสมากมีมีความอยากมากคนเดียวไม่พอต้องสองคน แต่ถ้ามองว่ามันเป็นการยินยอมกันก็ถือว่ามันไม่ผิดประเพณีงั้นก็ไม่ทราบความหมายของสิง่งกรณีว่าคําว่าผิดประเพณีนี่หมายถึงยังไงเพราะท่าที่เขาเข้าใจาประเพณีโดยทั่วไปก็คือการมีผัวเดียวเมียเดียวมีคู่เดียวเพราะว่ามีสองคนแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาเดี๋ยวรักพี่เสียดายนอ้องเดี๋ยวก็ตบตีกันในบ้านแทานที่จะมีความสุขก็อาจจะ มีความทุกข์ถ้าถามว่าควรจะทํำไหแล้วก็ว่าไม่ควรทําถ้าอยากจะมีความสุขจากการมีคู่ครองก็มีสามีเดียวภรรยาเดียวจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามีหนึ่งสามีสองภรรยาเดี๋ยวมันก็มีความเหลืมล้าต่ำสูงกันเดี๋ยวหาว่ารักพี่มากกว่ารักน้องเดี๋ยวน้องก็เสียใจดีไม่ดีเดี๋ยวน้องก็ฆ่าตัวตายไปก็ได้ทําให้เกิดโทษตามม า, างั้ ควรจะมีผัวเดียวเมียเดียวจะดีกว่าต่อไปคำถามจากผู้ฝากถามค่ะแม่สามีชอบพูดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วบ่อยๆโยมเคยพูดให้กําลังใจแต่วันนี้โยมพูดว่าทุกคนก็ต้องตายโยมอาจตายก่อนก็ได้โยมทำไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะทุกคนในห้องพากันหน่าสลดและควรทำอย่างไรคะอขอพระอาจารย์เมตตาสอนด้วยค่ะ คือการพูดความจริงนี้มันก็ต้องดูการรับเทศะหรือว่าคนฟังนี่เขารับได้มไม่ได้ถ้าเขารับไม่ได้ก็อย่าไปพูดเพราะพูดแล้วก็จะทำให้เขาไม่สบายใจขึ้นมาได้นั้นต้องดูการรับเทศะแต่เมื่อแม่สามีก็ชอบพูดว่าเดียยเด๋ยวก็ตายแล้วเ<ม>ดี๋ยวก็ตายแล้วก็แสดงว่าเขารับได้ถ้าเราพูดก็คงจะไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าพูดกับแม่สามีคนเดียว แต่ถ้ามีคนอื่นฟังอยู่ด้วยที่เขายังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่เราก็ฟังแล้วก็อาจจะรับไม่ได้ก็ได้แในเราก็ต้องดูกาละเทสะในเวลาเราพูดถึงเรื่องความตายกันว่าคนที่เขาฟังนี่รับได้หรือเปล่าคําถามจากคุณสันชายการงดลัประทานเนื้อสัตว์จะช่วยให้การปฏิบัติได้ผลเร็วขึ้นหรือเปล่าคะไม่นะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันะ อาหารเจและไม่เจมันก็เป็นอาหารเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราไม่ฆ่าอาหารถ้าเราไม่ฆ่าเนื้อสัตว์ที่เรากินก็ไม่ถือว่าบาปไม่มีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดการกินไม่กินนี่มันอยู่ที่ว่ากินมากหรือกินน้อยมากกว่าถ้าจะกินถ้าอยากจะให้การปฏิบัติดีต้องกินน้อยๆกินน้อยแล้วทําให้ร่น้กายไม่ง่วงไม่ขี้เกียจจะทําทให้นั่งสมาธิไ ด, ได้ได้ผลดีกว่า งั้เรื่องของการกินเจแล้วไม่กินเจไม่เป็นปัญหาไม่ได้เป็นส่วนที่จะทําทให้ปฏิบัติดีแล้วไม่ดีที่ปัจจปฏิบัติดีไม่ดีอยู่ที่ว่ากินมากหรือกินน้อยก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำวสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปท่านาธุ